กรุงเทพร้อนนะเจ็ร้อนอนแล้วก็อารมณ์ร้ายง่ายมันร้อนเราบังคับมันให้เย็นไม่ได้นะทางโล ก, กาธาตุทางวัตถุทางอะไรเนี้ยฝรั่งมันพยายามเอาชนะคนตะวันออกเราไม่ได้มุ่งเอาชนะโลกโลกภายนอก อย่างพยายามทำอย่างโน้นอย่างนี้จะเอาชนะธรรมชาติไม่ค่อยชนะเท่าไหร่ชาวตะวันออกเราชนะโลกภายในสามารถพิชิตโลกภายในได้จนมันมันไม่ร้อนละมันเย็นโลกภายนอกก็แปรปรวนไปเรื่อยๆถ้าใครอายุมากหน่อยจะรู้สึกนะสมัยตอนคนแก่ๆยังเป็นเด็กๆเน บ้านเมืองมันดูร่มเย็นกว่านี้เยอะในกรุงเทพกลางคืนก็มืดมืดหลวงพ่อเกิดกรุงเทพตั้งแต่สมัยในกรุงเทพเนี่ยเสาไฟฟ้ายังเป็นเสาไม้เสาไม้บรรยากาศเนี่ยเวลาอ่านเรื่องผีนี่ให้มากเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวนี้บ้านเมืองมันเป็นบ้านเมืองที่ไม่รู้จักหลับนละ มันตื่นทางโลกนะแต่ทางใจนี่มันหลับสนิทเลยพวกเรามีบุญวาสนาเราได้สนใจศึกษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็จะได้ตื่นขึ้นมาโลกภายในของเราเนี่ยจะสงบร่มเย็นแล้วก็โลกในครอบครัวของเราก็จะร่มเย็นพอเราร่มเย็นหนึ่งคนเนี่ยคนรอบๆตัวเราเก็จะเริ่มเย็นไปด้วยนั้ ค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกของเราไปคนที่สนใจศาสนากันเยอะแย ะ, ะแต่ก็น่าเห็นใจอย่างจะศึกษาธรรมะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะธรรมะมีเยอะเหลือเกิ น, นเยอะแยะไปหมดเลยตำรับตำราก็มากมายนะแค่พระไตรปิฎกก็ต้องเยอะแล้วหลายสิบเล่มอัตถกถาอะไรตอนน่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะ จะศึกษาออกมาว่าตรงไหนเป็นแก่นที่ว่าถ้าจับหลักตัวนี้ได้แล้วเข้าใจทั้งหมดไม่ใช่ง่ายการปฏิบัติก็เหมือนกันสำนักปฏิบัติต่างๆมีอยู่มากมายเยทุก ค, คนก็อ้างอิงพระไตรปิฎกได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละทุก ค, คนก็อ้างบอกว่าทำสติปัฏฐานทำวิปัสนาอ้างได้ทุก ค, คนนะแต่คำสอนที่หลากหลายเนะี่ยอะไรเป็นแก่นของมันนะถ้าเราจับแก่นได้เนะี่ย ก็จะเข้าใจธรรมะได้ทั้งหมดจริงๆแล้วหัวใจนะสิ่งที่เป็นกุญแจของการปฏิบัติที่จะไขเราไปสู่ความเข้าใจเปิดประตูของความเข้าใจในธรรมะนะคือความรู้สึกตัวไม่ว่าเราจะปฏิบัติ ด, ด้วยกรรมฐานชนิดใดก็ต้องทำด้วยความรู้สึกตัวถ้าขาดความรู้สึกตัวสัอย่างเดียวนี่ ไม่มีวันบนรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะน้นจุดสำคัญนะคือต้องรู้สึกตัวให้เป็นซะ ก, ก่อนถ้ารู้สึกตัวไม่เป็นแล้วก็ไปเจริญกายานุปัสสนานะหรือเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาก็ไม่ได้ผลเช่นถ้าเรารู้สึกตัวไม่เป็นเราตื่นไม่เป็นนะเราไปกำหนดลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกอะไรเนี้อย่างมากที่สุดี่ได้แค่ความสงบ จิตรวมเข้ากับลมหายใจนิ่งๆไปพนอะจิตรวมแนบอยู่กับลมหายใจสักพักหนึ่งนะลมหายใจมันจะกลายเป็นแสงสว่างนะจากเส้นเป็นเส้นสว่างเป็นสายของความสว่างก็ค่อยรวมเป็นดวงสว่างขึ้นมาอนยะ่างเงี้ยดูเข้าไปอีกได้แต่ความสุขความสงบหรือดูท้องพองยุบถ้าขาดความรู้สึกตัวเนี่จิตจะไปอยู่ที่ท้องจิตจะไปเพ่งอยู่ที่ท้อง ไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้านจิตก็จะไหลไปอยู่ที่เท้าหัดดูเวทนาอย่างนั่งภาวนาแล้วก็ดูเวทนาความปวดความเมื่อยมันเกิดจิตมักจะไหลรวมเข้ากับเวทนาหรือไม่ก็งุดหงิดไปเลยในิใจมันไม่มีความรู้สึกตัวมันไม่ตื่นหัดดูจิตดูใจก็กลายเป็นการเพ่งจิตการเพ่งจิตก็เป็นสมถะเหมือนกันบางคนก็ไปเพ่งใส่ความว่าง ไปกำหนดจิตยอยู่ในความว่างความไม่มีอะไรเลยแค่นั้นก็แค่สมทาอีกแหละนี่ถ้าเราอยากได้หัวใจนะของธรรมะจริงๆนะของภาคปฏิบัติหัวใจของมันคือความรู้สึกตัวนะในภาคปริยัติเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสท่านเป็นอัจฉริยะนะหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านสรุปออกมาในภาคปริยัติเนี่ยสิ่งที่เป็นแก่นคำสอนในาศาสนาพุทธเนี่ยท่านบอกว่า สัพเพธรรมานาลาังอาพินิเวสายะอะโยนี้ทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นในคำสอนทั้งหลายนะเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นแต่ในภาคปฏิบัติเนี่ยอยู่ๆจะไปไม่ยึดมั่นไม่ได้ก็ใจมันยึดมั่นสิ่งที่เป็นหัวใจของการปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่ว่าทำยังไงเราจะตื่นขึ้นมาทำยังไงเราจะเกิดความรู้สึกตัวที่แท้จริงขึ้นมา ถ้าไม่รู้สึกตัวไม่ว่าจะทำกรรมฐานอะไรมันอย่างมากที่สุดมันได้แค่สมถกรรมฐานอย่างเลวลงไปก็ได้แค่การบังคับกดขม่มทรมานกายทรมานใจได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั <Yeah. S 1> ้นความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นแก่นเป็นหัวใจที่สาคัญต้องรู้สึกตัวให้เป็นต้องรู้สึกตัวให้ได้ต้องรู้สึกตัวให้ขึ้นมานะตื่นขึ้นมาก่อน มเมื่อเราปีสี่สามนะหลวงพ่อมาที่นี่ตอนนั้นยังเป็นคราวาสหลวงปู่เหลียญย่ยมาเทศอยู่ตอนนี้ท่านไม่เทศให้เราฟังแล้วนะแต่ท่านนอนให้เราดูตอนนี้ตอนนั้นก็มีคราวาสเนี่ยชอบมาช่วยโอกาสตอนที่หลวงปู่ฉันอาหารเนี่ยจะมาถามธรรมะหลวงพ่อวันหนึ่งก็มีคราวาสคนหนึ่งนะเดินดุยดุยมาถามหลวงพ่อ ผมชื่อสุรวัตรนะผมชื่อสุรวัต ะ, ตะหลวงพ่อหันไปมองหน้านะวับหลวงพ่อก็บอกว่ายังรู้สึกตัวไม่เป็นต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนถ้ารู้สึกตัวไม่เป็นทากรรมฐานไม่ได้สักอย่างเดียวต้องรู้สึกตัวรู้สึกตัวคืออะไรรู้สึกตัวต้องไม่ลืมตัวเองนะคนในโลกนี้จะลืมตัวเองทั้งวันทั้งคืน เรารู้สิ่งอื่นรู้สิ่งต่างๆนะมากมายไก่กองรู้เรื่องราวที่เราคิดเรื่องราวที่เราจินตนาการแต่เราไม่รู้สึกตัวคือเราลืมกายเราลืมใจของตัวเองเมื่อไรเราลืมกายเมื่อไรเราลืมใจเราก็จะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเมื่อเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยความเป็นตัวตนก็จะเกิดขึ้นเพราะความเป็นตัวตนไม่มีอยู่จริงความเป็นตัวตนเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเอง ที่เรียกว่าสัสตทิฏฐิเรียกอะไรนะสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิรู้สึกว่ามีตัวตนเลยขึ้นมาในความเป็นจริงก็เป็นแค่ทิฏฐิเป็นแค่ความเห็นผิดเท่านั้นเองถ้าใจของเราตื่นขึ้นมาใจเราไม่มีความเห็นผิดมันจะไม่เห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราจะเห็นทันทีตัวเราไม่มีหรอกนั้นต้องตื่นขึ้นมาให้ได้สภาวะแห่งความตื่นพูดเป็นภาษาคนนี่ยากที่สุดเลย ใครๆก็คิดว่าตัวเองตื่นแล้วแต่ในความเป็นจริงในโลกนี้หาคนที่ตื่นเนี่ยหาแทบไม่ได้เลยมีแต่คนที่ฝันทั้งๆ ท, ท, ที่ลืมตาฝันอยู่ทั้งวันฝันอยู่ทั้งคืนหลับก็ฝันนะตื่นก็ฝันการฝันตอนตื่นก็คือใจนี่หลงไปอยู่แต่ในโลกของความคิดคิดเรื่อยๆไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ขณะที่คิดนั้นบางครั้งก็รู้เรื่องที่คิดบางครั้งไม่รู้เรื่องที่คิดคิดอะไรก็ไม่รู้ ใจลอยไปตั้งชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่รู้เลยว่าคิดเรื่องอะไรอย่างนี้ก็มีในขณะที่ใจลอยไปจิตหนีไปคิดรู้เรื่องที่คิดบ้างไม่รู้เรื่องที่คิดบ้างเนี่ยในขณะนั้นมีก า, กายก็เหมือนไม่มีเพราะเราลืมมันไปมีจิตใจก็เหมือนไม่มีเพราะเราลืมมันไปนะเมื่อไรลืมกายเมื่อไรลืมใจมันนั้นเรียกว่าขาดสติเมื่อไรรู้กายเมื่อไรรู้ใจเขาเรียกว่ามีสติปัฏฐาน สติปัฏฐานเนี่ยก็คือเป็นสติที่รู้กายรู้ใจสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวที่จะทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เพะเราต้องรู้สึกตัวนะอย่าให้ลืมกายอย่าให้ลืมใจคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายเนืองเนืองคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจเนืองเนืองอย่าเอาแต่หลงไปคิดคิดคิ ด, ค ด, คดนะคิดมาตั้งแต่เด็กพอสมควรแล้วต่อไปนี้หัดรู้สึกซะบ้าง หากเป็นคนที่มีความรู้สึกน ะ, นะรู้สึกกายรู้สึกใจพอเรารู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจในความรู้สึกตัวนี่แหละเป็นต้นทางของการปฏิบัติทำวิปัสสนาทุกๆุกอย่างต้องมีความรู้สึกตัวเป็นพื้นฐา น, นพอใจเราไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดเราก็ตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาหลวงพ่อเทียนนะหลวงพ่อไม่ได้เป็นลูกศิษย์ท่านนะแต่หลวงพ่อเคยเจอท่านท่านเป็นพระที่ดีเลิศองค์หนึ่งนะ หลวงพ่อเตียนสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดถ้ารู้ว่าจิตคิดเนี่ยจะได้ต้นทางของการปฏิบัติทำไมได้ต้นทางเพราะถ้ารู้ว่าจิตคิดจิตก็จะหลุดออกจากโลกของความคิดจิตจะตื่นขึ้นมาสามารถรู้สึกกายสามารถรู้สึกใจได้เมื่อรู้สึกกายเมื่อรู้สึกใจเนืองเนืองนะต่อไปก็จะเห็นความจริงของกายของใจการเห็นความจริงของกายของใจเรียกว่ามีปัญญาที่เป็นวิปัสสนาปัญญา วิปัสสนาปัญญาเป็นการรู้ความจริงของกายของใจนะรู้จะรู้สึกเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี้เป็นแค่วัตถุธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆจิตใจนี้ก็ทํางานไปเรื่อยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่คงที่ไม่มีอารมณ์ชนิดใดในจิตใจเราที่คงที่มีแต่ของเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีแต่ของบังคับไม่ได้ด้วย จะสุขหรือจะทุกข์เราเลือกไม่ได้จะดีหรือจะชั่วเราเลือกไม่ได้จะไปดูหรือจะไปฟังหรือจะไปคิดเราเลือกไม่ได้จิตเขาทำงานของเขาเองล้วนๆเลยการที่เรามีสติมีปัญญานะตามดูไปได้เห็นแต่ว่าทั้งกายทั้งใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาถ้าไปเห็นอย่างอื่นเห็นกายเห็นใจเป็นอย่างอื่นไม่ชื่อว่าปัญญาที่เป็นวิปัสสนา ยกตัวอย่างถ้าเราไปเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะหลายคนชอบนะทําความสงบเข้ามาแล้วพิจารณากายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอันนั้นก็ดีเหมือนกันดีในแง่ของการข่มราคะเป็นการทําสมถกรรมฐานช่วยข่มราคะเหมาะกับพระหนุ่มเน้นน้อยนะพิจารณากายแล้วจะได้ไม่วิ่งตามสาวไปแต่ถ้าเราเห็นกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเนี่ยเราจะรังเกียจกายไหมใจจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมา คือรังเกียจกายใจจะไม่ได้เป็นกลางต่อกายนะหรือเราดูจิตดูใจนะจิตใจเราว่างอยู่กับความว่างมีแต่ความสุขล้วนๆเลยเราเห็นจิตนี้เป็นความว่างเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นของไม่ดีนะเรากลับจะรู้สึกชอบมันอย่างพอรู้กายว่าเป็นอติกรูปเป็นอาสุภนี่จิตเกิดติดลบติตเครื่องหมายลบคือไม่ชอบมัน พอเห็นจิตใจเราสว่างว่างมีแต่ความสุขเลืงนะ้งล้วนติดเครื่องหมายบวกคือไปชอบมันยังมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายรอบเนี่ยจิตจะไม่หยุดการทํางานจิตไม่เป็นกลางแต่ต่อเมื่อเราเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์เห็นมนว่ามันไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เห็นจะต้องเกลียดมันหรือต้องรักมันเพามันของไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นก้อนทุกข์นะเป็นตัวทุกข์มันเป็นสภาวะที่ถูกบีบคั้นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดา กายนี้ก็เป็นทุกข์โดยธรรมชาติธรรมดาจิตก็เป็นทุกข์โดยธรรมชาติธรรมดามันจะไม่เกิดความรังเกียจกายรังเกียจใจแล้วก็ไม่เกิดหลงรักกายหลงรักใจถ้าเห็นกายเห็นใจเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเองใจก็เป็นกลางๆงมันไม่ใช่เราจะไปยุ่งอะไรกับมันถ้าเห็นไตรรักเนี่ยใจจะเป็นกลางถ้าเห็นอย่างอื่นใจจะไม่เป็นกลางจะยินดีบ้างยินร้ายบ้างถ้าใจไม่เป็นกลางใจจะดิ้นรนทํางานไม่เลิก ถ้าใจดิ้นรนขึ้นมาเมื่อไหร่ก็คือการสร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์สร้างอัตตาตัวตนขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์อย่างแท้จริงจิตจะหมดการทํางานจิตจะรู้สภาวะทุกสิ่งที่ปรากฏในกายในใจรู้แล้วจบลงที่การรู้รู้แล้วไม่เติมแต่งไม่ทํางานใดๆต่อไปอีกการที่รู้แล้วไม่ทําอะไรต่อไปเนี่ยเป็นหลักสําคัญของการทํำวิปะนะัสสนารู้จริงๆรู้แล้วไม่แทรกแสง ไม่คล้อยตามคือหลงไปแล้วก็ไม่แทรกแซงเข้าไปบังคับกดข่มเนี่ยตัวนี้เป็นภาวะซึ่งจิตจะเดินปัญญาที่แท้จริงสิ่งเหล่านี้ฟังดูเหมือนยากแต่ทั้งหมดนั้นมาจากเริ่มต้นด้วยการรู้สึกตัวไว้งั้นความรู้สึกตัวนัเหมือนลูกกุญแจมีกุญแจดอกนี่เราจะไขเปิดประตูออกไปสู่ความรู้แจ้งได้ถ้าไม่มีกุญแจแห่งความรู้สึกตัวเนี่ยจะไข ออกไปสู่ความรู้แจ้งไม่ได้จริงเราจะถูกขังอยู่ในห้องวนเวียนไปเรื่อยอยู่ในห้องนะคลาไปเรื่อยๆห้องที่เราถูกขังอยู่ก็คือควาว่าพบนั่นเองพบเนี่ยมันเหมือนมีพบน้อยพบใหญ่นะวันหนึ่ ง, ว, นนงวันหนึ่งจิตเราก็เปลี่ยนพบไปเรื่อยๆเดี๋ยวบางคราวเราจิตใจเรามีศีลมีธรรมเราก็อยู่ในพบของมนุษย์นะบางคราวจิตเรามีความโลภขึ้นมาเราก็ไปอยู่ในพบของเปรตอยู่ในห้องเปรตเนะี่ย บางวันจิตใจหรือบางขณะจิตใจเรายึดถือในความคิดความเห็นอย่างรุนแรงนี่พวกอสุรกายพวกที่เซลล์จัดยึดถือในความเห็นจัดจัดเนี่ยนะพวกอสุรกายนะพวกนี้ไม่ค่อยรับส่วนบุญส่วนกุศลอะไรกับใครหรอกนึกว่ากูแน่กูหนึ่งเสมอแลละนี่พวกอสุรกายไม่รับส่วนบุญพวกเปลดถถึงจะรับส่วนบุญ หรือบางคราวจิตใจเราก็เป็นทุกข์ใช่ไม้มเราไปเสเวยพบที่มีความทุกข์ก็คือจิตใจเราตกนรกตั้งแต่ตัวเรายัางไม่ทันจะตกมาคราวเราก็มีความสุขเราทำบุญทำกุศลจิตใจเรามีความสุขเราก็อยู่ในพบของเทวดาบางคราวเราก็ทำใจเข้าถึงความสงบเงียบอยู่ภายในเราก็ไปอยู่ในพบของผลมนี่จิตใจของเรานะ้าหมุนเวียนไปเรื่อยๆบางคราวก็หลงใจลอยไปนี่เป็นพบของสัตว์เดรัจฉาน สัตว์ดรัจฉานมีโมหะมากใจลอยถ้าไม่ใจลอยก็ฟุ้งซ่านอุตลุดไปไม่ก็ซึมไปเลยนะไม่ก็ลังเลสงสัยไอ้นนทนก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่หรือมันยังงนหรือมันอย่างนี้นะคิดมากเพราะคิดมากลังเลใจมากนะนี่ก็อยู่ในภพของเนรัฉานเนี่ยใจของเราหมุนเวียนอยู่ในภพน้อยภพใหญ่อยู่ทั้งวันทั้งคืนนะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปเรื่อย ดิ้นรนไปเรื่อยๆปรุงแต่งไปเรื่อยๆมีตัณหาเป็นแรงผลักดันตัณหาก็คืออยากให้มันมีความสุขอยากให้กายให้ใจมีความสุขคืออยากให้ตัวเรามีความสุขอยากให้ตัวเราพ้นทุกข์นะความอยากนี้แหละผลักดันให้เราดิ้นรนไปเรื่อยๆถ้าเราเีมีสติรู้ทันจิตรู้ทันใจนะรู้ทุกสิ่งด้วยความเป็นกลางจิตจะหมดความดิ้นรนหมดความอยากจิตไม่ถูกตัณหาผลักดันจิตจะเป็นอิสระขึ้นมา ครฝึกนะไม่ยากอะไรหรอกเดี๋ยวนี้หลวงพ่อเทศได้สิบห้านาทีนะไม่รู้เป็นยังไงเมืนะ่อ ก, ก่อนนี้เห็นไปเรียนจากหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศตอนท่านยังแข็งแรงคปฟังท่านเทศทีนึ่งหลายชั่วโมงฟังจากเทปนะฟังลูกศิษย์ลูกหาเล่าว่าท่านเทศทีหนึ่งได้หลายชั่วโมงตอนหลวงพ่อไปเรียนกับท่านเนี่ยท่านเทศสิบนาทีสิบห้านาทีเรายังไม่แก่เท่าท่านเลยเทศเฉือนนิดเดียวแนละ้ว คำพูดนะคำถ่ายทอดธรรมะด้วยคำพูดอะไรเนี้ยฟังเล่นๆก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะแต่ได้ประโยชน์ไม่เต็มที่หรอกต้องหัดปฏิบัติจริงๆหัดตื่นนะนั่งอยู่ในห้องนี้คอยรู้สึกไปสังเกตไหมใจเราหนีไปคิดตลอดเวลาสังเกตไหมขณะที่เราคิดเราลืมกายเราลืมใจนะหัดตัวนี้นะหัดตัวนี้ให้ได้ พอเรารู้ทันว่าเราไปคิดจิตก็จะตื่นเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแวบหนึ่งเดี๋ยวก็หลงไปคิดครั้งใหม่หลงไปคิดใหม่ก็รู้สึกเอาใหม่รู้สึกอีกงั้นทั้งวันนะใจเดี๋ยวก็หลงไปเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้สึกรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆค่อยฝึกไปไม่นานหลวงพ่อใช้คำว่าไม่นานนะก็จะเข้าใจความจริงของกายของใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา หลวงพ่อ<ธ> <BE> ชับพูดเรื่อยๆว่าง่ายนะง่ายนะเมื่อสองวันนี้มีพระลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ทางอีสานครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ใางอีสานองค์หนึ่งท่านไปที่หลวงพ่อท่านไปเรียนกับหลวงพ่ออยู่ท่านก็เล่าบอกว่าเนี stand, ่ยท่านเอานักสือของหลวงพ่อนะไปให้ครูบาอาจารย์ของท่านอ่านครูบาอาจารย์บอกว่าเห็นด้วยกับที่หลวงพ่อประโมทเขียนทุกอย่างเลยเห็นด้วยทุกอย่างเลยไม่เห็นด้วยอยู่ข้อเดียว คือมันยากนะหลวงพ่อประโมโอบอกทําไมมันง่ายนะเนี่ยลูกศิษย์ท่านอะมาเล่าให้ฟังนะครูบาโน่สอนมเล่าให้ฟังนะบอกว่าครูบาอาจารย์พูดอย่างนั้นก็ถูกของท่านนะหลวงพ่อก็ถูกอย่างหลวงพ่อมันคนละมุมกันมันยากมากที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาแต่เมื่อตื่นแล้วมันง่ายมากที่จะเข้าถึงมรรคนิพพาน น, านนะเมันคนละมุมกันนะ ยากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาเพราะว่าแต่ละคนนะวิ่งเลาะเลาไปเรื่อยเที่ยวสแสวงหาไปเรื่อยหาอย่างโน้นน่าจะดีทำอย่างนี้น่าจะบรรลนะุต้องไปทำบุญใส่บาตรวันละเจ็ดวัดถึงจะดีเนะี่ยจดจีนต้องฝังลูกนิมิตเกวัดถึงจะดีอะไรเงี้ยนะวิ่งไปเรื่อยๆไอ้โน้นน่าจะดีไอ้นี่น่าจะดีเนะนี่เรียกว่าวิ่งเลาะอยู่ริมฝั่งนะคนในโลกนี้เป็นแบบนี้ะ คนในโลกไม่สนใจที่จะเรียนเรื่องการเจริญสติปัฏฐานได้ยินเรื่องเจริญสติปัฏฐานก็ยังค้านอีกนะอย่างเป็นต้นบางคนก็มีทิฏฐิบอกว่าก่อนจะปฏิบัติต้องทําอัปปนาสมาธิให้ได้เสียก่อน<ม>ถ้าทําอัปปนาสมาธิไม่ได้ก็ปฏิบัติไม่ได้แล้วชาตินี้เข้าใจผิดเ<ม>นี่ยครูบาอาจารย์องค์ในท่านก็เล่านะครูบาโนศรท่านก็มาเล่าบอกว่าอาจารย์ท่าน เขบอกว่าอย่างที่อาจารย์ปราโมศสอนมันมีสมาธิอยู่ชนิดหนึ่งเป็นสมาธิชั่วขณะเอาไว้เดินปัญญานะเรียกว่าคณิกะสมาธิเนีันั้นสิ่งที่หลวงพ่อพูดกับที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านสอนมันก็อันเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่หลวงพ่อเปลี่ยนสัมนวนในการพูดซะสัมนวนให้มันทันสมัยให้คนรุ่นนี้ฟังได้เพราะคนรุ่นนี้อินทรีย์อ่อนเนี่ต้องป้องปากพูดพูดแบบเกรงใจนะคนรุ่นนี้อินทรีย์อ่อน ใจเสาะขี้เกียจขี้คล้านมักง่ายโลเลนะนี่พูดเบาๆนะมันไม่เหมือนคนใจเพชรรุ่นแต่ก่อนรุ่นครูบาอาจารย์รุ่นแต่ก่อนครูบาใจหาท่านไปเรียนกับท่านนะท่านบอกไปพุโทโธไม่มีคําที่สองแล้วนะว่าผมจะพุโทโธไปเพื่ออะไรผมไม่พุโทโธได้ไหมผมจะหายใจอย่างเดียวได้ไหมหรือต้องหายใจด้วยพุโทโธด้วยไม่มีเลยนะ คนรุ่นแต่ก่อนที่ไปเรียนแล้วได้ดิบได้ดีกันครูบาอาจารย์บอกพุโทโธฉันก็พุทธโธละพุทธโธไปปีสองปีนะวันหนึ่งเดินผ่านกับอาจารย์อาจารย์บอกว่ารู้สึกตัวไวเนี่ยไหมหลายปีสะสอนประโยคหนึ่งนะนอดทนมากเลยหลายปีจนได้ดิบได้ดีมาก็ใช้เวลาประมาณ16ปีนะคนรุ่นนี้ถามว่าทำได้ไหมทำยากนะเพราะโลเลใจสาะ อ่อนแอท้อแท้ขี้บนนะไอ้กริยาที่ไม่ดีทั้งหลายเอามาใส่นะค่อนข้างจะได้ครบนะเ <c oughs> นี่ยหลวงพ่อก็เลยต้องสอนแบบแจกแจงให้มากหน่อยรู้เหตุรู้ผลเราต้องทำอย่างนี้นะเพื่ออย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วจะมีผลอย่างนี้มีผลอย่างนี้แล้วก้าวต่อไปจะไปสู่จุดนี้ <c oughs> ต้องรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวแล้วก็ไม่ลืมกายลืมใจได้รู้กายรู้ใจ รู้กายรู้ใจเรื่อยๆอย่าไปแทกแซงมันอย่าไปลืมมันก็จะเห็นความจริงของกายของใจเห็นยังไงเห็นไตรลักษณ์มันต้องสอนละเอียดมากเลยนะเห็นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจปล่อยวางได้แล้วเป็นอะไรเป็นพระอรหันต์สิแค่นี้ยังไม่พอใจนะพระอรหันต์เป็นยังไงพระอรหันต์เห็นอะไรพระอรหันต์รู้อะไรนะต้องอธิบายมากมายเลยนะซึ่งไม่เหมือน สมัยที่หลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์ท่านบอกคำสองคาเท่านั้นเราก็ไปทากันแรมปีเดี๋ยวนี้ต้องฟังกันแรมปีแล้วไปทำำําคํสองคํใช่หหลวงพ่อถึงต้องเทศมากมายนะ <c oughs> เทศแรมปี <c oughs> ก็จะบอกเราคำสองคาว่ารู้สึกตัวไว้นะรู้สึกตัวไว้อย่าเผลออย่าลืมตัวถ้าลืมตัวเนี่ยกิเลสจะเอาไปกินจะไปอบายซะหมดถ้ารู้สึกตัวนะ จะได้เป็นคนดีเป็นเทวดาเป็นพรหมจะได้ไปมรรคผลนิพพานไดนะ้อยู่ที่ความรู้สึกตัวนี่เองหัดรู้สึกหัดรู้สึกนะสิ่งที่ตรงข้ามกับความรู้สึกตัวคือใจลอยคือเมอคือเผลอคือหลงไปคิดนะคือลืมเนื้อลืมตัวนะเนี่ยศัตรูกันตรงข้ามกันศนะัตรูอันดับสองคือการไปเพ่งไวเหมือนคุณแถวที่เนียใส่เสื้อขาวเนี่ยนะเป็นพวกเพ่งไวนะ ไปเพ่งไว้กายนิ่งๆใจนิ่งๆนี่ศัตรูของความรู้สึกตัวเหมือนกันรู้สึกตัวแล้วไปบังคับใช้ไม่ได้นะต้องปล่อยนะรู้สึกตัวแล้วปล่อยไม่ใช่รู้สึกตัวแล้วบังคับจนแข็งปักเลยนะใช้ไม่ได้จริงหรอกนะเอาวันนี้เทศพอสมควรแล้วนะเพราะว่าเทศตั้งแต่ต้นจนจบนะเอาต่อไปเชิญโยมถามในความเป็นจริงแล้วคําถามทั้งหลายนะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่หรอก ถ้าเกิดสงสัยให้รู้ว่าสงสัยไปเลยแล้วก็จะเห็นความสงสัยเกิดแล้วก็ดับสิ่งใดเกิดแล้วสิ่งนั้นก็ดับเห็นเท่านี้แหละจะไปให้เกิดมรรคผลนิพพานได้นะลําพังนั่งถามหลวงพ่อไปเรื่อยๆไม่ได้กินหรอกถามไปแล้วก็นึกว่าเข้าใจก็จําไว้เท่านั้นแหละธรรมะจาไว้ไม่ได้กินนะธรรมะที่อาศัยความจําไว้เนี่ยสู้กิเลสไม่ได้เพราะกิเลสซ่อนอยู่ในใจเรา มันต้องเป็นธรรมะที่ช้ำแรกเข้าไปถึงจิตถึงใจจริงๆนะถึงจะสู้กิเลสได้ต้องรู้ทันลงไปเลยกิเลสแทรกเข้ามาในใจต้องรู้ทันเลยเนี่ยเราจะรู้ทันได้เราถ้าไม่หลงนะต้องรู้สึกตัวอยู่อ้าเชิญถามยังจะมีใครถามไหม <c oughs> อุตส่าห์พูดขนาดนี้แล้วนะพวกที่จองคิวไว้จะยกเลิกก็ได้นะ <c oughs> ทำไมช่างถามเนี่ย <c oughs> <c oughs> หลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์ไม่ช่างถามนะไม่ค่อยถามหรอกไปเรียนท่านบอกให้ปฏิบัติเขาทำเอานะบางคราวที่ท่านสอนนี่นะงงเลยนะงงท่านสอนแค่ไหนก็แค่นั้นอนะอย่างบางคราวนะเคยไปถามอาจารย์มหาบัวนะท่านก็บอกว่าให้ภาวนาเนะี่ยเราก็ภาวนานะหรือหลวงปูดดูลท่านบอกให้ดูจิต เ, าเราแล้ก็ดูจิตเอา หรือไปบางคราวนะเกิดสภาวะซึ่งไม่เคยพบเคยเห็นจิตรวมตลอดวันตลอดคืนอย่างนั้นนะรวม ท, ท, ทั้งที่เราไม่เคยฝึกแล้วขาดสตินะเรามีสติแก่กล้าช่วงหนึ่งฝึกแล้วก็นั่งก็เหมือนจะหลับยืนเดินนั่งนอนเหมือนจะหลับตลอดเวลาสงสัยมากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นขึ้นไปถามหลวงปู่สิมนะไปถามท่านเมื่อวันที่5สิงหาปีสองหไปถามท่านว่าผมมีอาการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ มันเกิดจากอะไรผมจะต้องทำยังไงจะได้ผ่านอาการอย่างนี้ไปท่านตอบบอกว่าผู้รู้ผู้รู้จะสงสัยอะไรอย่าสงสัยเลยจบแล้ว <c oughs> ต้องใจถึงเนี่ยเห็นไมหลวงพ่อพอได้ยินท่านบอกว่าผู้รู้อย่าไปสงสัยมันเลยท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ท่านไม่รู้ชื่อนะบอกผู้รู้อย่าสงสัยเลิกสงสัยไม่คิดจะถามต่อละ ไม่ถามแล้วท่านบอกว่าเราจะได้ของดีก็ได้ของดีจริงๆนะงั้นถ้าเราไม่ถามมากเราแต่เรารู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่เป็นกลางอย่างแท้จริงมันจะผ่านไปได้หมดเลยปัญหาในการปฏิบัติจะไม่มีปัญหาในการปฏิบัติเนี่ยเกิดจากการหลงกับอาการของจิตทั้งสิ้นเลยอาการต่างๆนานาจิตไปหลงกับอาการแล้วก็คิดจะแก้อาการหรือคิดสงสัยในอาการ เช่นจิตของผมทำไมมันสายไปสายมาสายขึ้นข้างบนแล้วก็ไหลลงข้างล่างสามขยักถอยไปข้างหลังอีกสองที่อเงี้ยนาะอาการอะไรก็ได้ก็แค่รู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะไม่มีความสงสัยอะไรถ้าสงสัยก็รู้ไปความสงสัยก็เป็นอาการของจิตอีกอย่างหนึ่งจิตมันไปนคิดมากมันก็สงสัยขึ้นมาอาการชนิดนี้เกิดแล้วก็ดับเช่นเดียวกับอาการอย่างอื่นนั่นแหละ อา้าวใครจะถามมีไหมหรือยกเลิกไปหมดแล้วอาอมีจนได้เหรออ้อาวคนนั้นเสียสละไม่เอาเลยนะกลับมาแมของพ่อค่ะลูกอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ลูกได้ปฏิบัติเงี้ยนี่มันถูกหรือเปล่าตอนนี้ยังสับสนคำว่าดูจิตแล้วก็สติอะไรเนี้ยนะคะยมลืมคำว่าปฏิบัติซะ คำว่าปฏิบัตินะเหมือนผีที่หลอกหลอนเราทําให้เรารู้สึกว่าเราควรจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เหนือธรรมดานะสิ่งที่เราทําขึ้นมาคือการบังคับตัวเองยมรู้สึกไหมยมไปกดตัวเองไว้นิ่งๆนะมันมีการกดมีการข่มเกิดขึ้นเพราะเราคิดว่าเราจะปฏิบัติลองเปลี่ยนใจนะลืมคําว่าปฏิบัติซะแล้วกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเราค่อยตามรู้เอานะเช่น ความลังเลสงสัยเกิดขึ้นรู้ว่าสงสัยจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดจิตวิ่งไปดูรู้ว่าจิตวิ่งไปดูสังเกตไห้ฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเดี๋ยวก็มองหลวงพ่อแวบหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังตั้งใจฟังอยู่ดีๆใจก็ไปคิดคิดทบทวนรู้สึกไหมฟังไปคิดไปเนี่ยให้โยมคอยรู้ทันจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดว่าจะปฏิบัติยังไงถึงจะถูกหรอกในความเป็นจริงปฏิบัติยังไงก็ผิด ปฏิบัติยังไงก็ผิดเพราะเราคิดว่าเราควรจะทำอะไรดีนะที่จริงไม่ทำที่จริงคือรู้กิริยาคือรู้ไม่ใช่กิริยาคือทำอย่างหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ยืนก็รู้เดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้เป็นสุขก็รู้ทุกก็รู้เฉยๆก็รู้เห็นไหมมีราคาก็รู้มีโทสะก็รู้มิตรคำว่ารู้เราอย่าทาอะไรเกินจากคาว่ารู้นะ ของโยมมีสิ่งที่เกินจากรู้ก็คือโยมอยากปฏิบัติให้ดีอยากได้ผลเร็วอยากได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้กลัวว่าจะไม่ทันเนี่ยพอเรามีความกลัวอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็พยายามบังคับตัวเองพยายามจ้องนะต่อไปนี้ถ้าความกลัวว่าจะปฏิบัติช้าเกิดขึ้นรู้ว่ากลัวนะใจเป็นสุกรู้ว่าสุขทุกรู้ว่าทุกข์แล้วโยมก็จะเห็นว่าสภาวะทุกอย่างไม่ว่าจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วจะกลัวหรือจะอะไรก็ตามเนี่ย เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเราจะเห็นแต่ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปทุกสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วดับไปการที่เราเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานี่แหละคือการเจริญวิปัสสนาละนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปบังคับว่าจิตจะต้องดีต้องสงบต้องนิ่งการบังคับจิตให้ดีให้สงบให้นิ่งเป็นเรื่องของสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจิตเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้น จิตเป็นอย่างไรเช่นจิตมีราคารู้ว่ามีราคะเห็นเลยจิตมันมีราคะราคะก็ไม่ใช่จิตราคะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาโทสะก็ไม่ใช่จิตโทสะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่จิต <Okay. S 1> เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นของเดินผ่านหน้าบ้านนะเหมือนเรานั่งในบ้านสบายๆเราเห็นสิ่งต่างๆผ่านหน้าบ้านใจเฉยๆเราไม่ได้ทําอะไรนะเลิกทํานะแต่ว่ารู้ทันสภาวะของกายของใจอย่างเป็นปัจจุบัน นี่คือเส้นทางที่รัดที่สุดละทางรัดที่สุดสั้นที่สุดไม่ไปเสียเวลากับการคิดค้นคว้าใดๆทั้งสิน้นรู้ลงปัจจุบันไปนะอาจาร์หาบัวเคยสอนหลวงพ่อนะบอกว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันนะเท่านี้เองเลิกเรือกามนันสตานหลวงพ่อจาค่ะ อ่าไม่ทราบว่าลูกนี่ตื่นมันตื่นมันตื่นงัวเงียืออาการที่พอเวลาตื่นเนี่ยเวลาเลยนะตื่นเนี่ค่ะพอเวลาปฏิบัติขึ้นมาค่ะขณะเนี้ยเหรอเออมันกดไว้นะแล้วจิตมันมีโมหะเข้าแทรกมันมัวมัวอ่ะแล้วพอตัวคิดมันคิดตลอดนะคะคิดซ้อนขึ้นมาตลอดเลยค่ะจิตมีหน้าที่คิดจิตคิดตลอดเวลาถูกต้องแล้วใช่นี่ดีใจด้วยนะที่ไม่ได้เป็นต้นไม้ค่ะม่เป็นอยา เห็นไหมใจเบากว่าเมื่อกี้เนี่ยดูไปนะเห็นแต่เขาเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเดี๋ยวเขาหนักเดี๋ยวเขาเบาเดี๋ยวเขาดีเดี๋ยวเขาร้ายเขาเป็นหัวเขาเองเขาไม่ใช่เราหรอกนะดูลงไปนะเขาไม่ใช่เราหรอกหลวงพ่อไม่ใช่คนชี้นะไม่เหมือนที่วัดนะโยมโยมยกมือหลวงพ่อก็ไม่รู้จะทํำยังไงอยากจะรู้ทํา อยากรู้ทำอยากรู้ทำไม่ยากอะไรสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคือกายกับใจนี้นะให้ยอมคอยรู้กายกายนี้เรียกว่ารูปธรรมให้คอยรู้จิตใจเรียกว่านามธรรมรู้ลงไปเรื่อยๆจนเห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเราก็จะไปเห็นธรรมะอีกชนิดหนึ่งที่พ้นจากรูปธรรมและนามธรรมจนะได้เห็นธรรมแท้ก็ตัวนั้นแหละ ไปถึงไหนแล้วเชิญการไม่มาตรการพ่อค่ะเติมเ ต, น ต, นต้นนิดหน่อยไม่เป็นไรนะเพราะว่าฟังคำถามคนนี้คนนี้ก็บจะลืมคำถามตัวเองท <laughs> ี่จริงๆอยากให้องพ่อดูว่าตอนนี้จิตตื่นหรือยังค่ะอย่าไปกังวลเรื่องจิตตื่นนะเวลาที่จิตตื่นเนี่ยตื่นทีละแวบเดียว เวลาที่เราหลงไปคิดแล้วเรารู้ทันว่าจิตหลงไปคิดจิตแค่จะตื่นขึ้นมาแวบเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวก็จะหลงไปคิดใหม่นะอย่าไปกังวลเรื่องจิตเป็นเพี่มันเผลอนานนะคะเออเผลอนานก็แสดงว่าตื่นน้อยถ้าถ้าถ้าเผลอบ่อยๆใช่ไหมเผลอบ่อยๆก็ตื่นบ่อยๆเผลอไปแวบหนึ่งรู้ทันแล้วว่าเผลอไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาทีหนึ่งรู้ไม่เคยทันยมบริกรรมไว้ก็ได้นะ ท่งพุทโธไปก็ได้หรือสวดมนต์ก็ได้สั้นๆไม่ต้องยาวนะไม่ถนัดชินบัญชรอะเล ย, ยาวไปอาจจะแค่阿拉หังซัมมาอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆเวลาเราสวด ม, มนต์เนี่ยแล้วเราก็คอยรู้ทันใจของเราเมื่เราสวด ม, มนต์แล้ว阿拉หังซัมมาจิตไหลไปนอกบ้านแล้วแอบไปคิดเรื่องอื่นแล้วเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดซัาพุทโธพักวาเอาหนีไปอีกแล้วรู้อีกว่าจิตหนีไปการที่เราหัดรู้ทันว่าจิตหนีไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปเวลาจิตหนีเนี่ยนะสติจะเกิดเร็ว พอจิตไหลไปแวบเดียวสติก็เกิดแล้วเพราะเราเคยรู้ทันสภาวะที่จิตแอบไปคิดนะเพราะฉะนั้นโยมบริกรรมไว้ก็ได้นะพุทโทรธธ ร, รมโมสังโฆอะไรก็ได้นะหรือเราดูท้องพองยุกก็ได้ดูท้องพองยุกไปเรื่อยนะแล้วจิตก็แอบไปคิดแวบเราก็รู้ทันจิตไหลไปเพ่งอยู่ที่ท้องเราก็รู้ทันแม้กรรมฐานอะไรก็ใช้ได้เออคือทำบริกรรมนี่คือปล่อยไปหลายปีเลยนะเพราะว่าไปฝึก ดูเวทนามาดูเวทนาเขาได้นะยอมรู้เวทนาไปสังเกตไหมเวทนาไม่คงที่แเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาใช่ไหมเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็มาอีกหลุดไปหรือมไม่ก็ลืมมันไปตรงที่ลืมมันไปเนี่ยก็ให้รู้ทันว่าลืมไปแล้วตรงนี้หลงไปและเพราระฉะนั้นเวลาเรารู้เวทนาเราเอาเวทนาเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ เราก็รู้เวทนาไปเราก็เห็นเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตซึ่งเป็นคนไปรู้เนี่ยอยู่อีกส่วนหนึ่งเวทนาเองก็เป็นของไม่เที่ยง เ, เดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจิตใจของเราเวลาไปรู้เวทนาเทเวทนาแรงใจเราก็กระสับกระสายขึ้นมาเราก็เห็นว่าจิตกระสับกระสายนะหรือดูเวทนาสักพักหนึ่งแอบไปคิดเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องลูกหลานอะไรอย่างนี้ก็รู้ทันอีกจิตหนีไปคิด เพเวลาที่เรารเอาเวทนาเป็นวิหารธรรมนะเราจะรู้หมดเลยรู้ทั้งกายรู้ทั้งเวทนารู้ทั้งจิตนะไม่ว่าเราทำกรรมฐานอะไรนะถ้าทำถูกต้องเราก็จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะรู้ทั้งรูปรู้ทั้งนามไม่ใช่รู้ันเดียวเพราะครับแล้วที่ ท, ที่เอ่อคำถามที่ท่านท่านจะไปถามหลวงปู่สิมไหมฮะผมไม่ทราบว่าถ้าถ้าพบอย่างนั้นแล้วปฏิบัติยังไงฮ <c oughs> ถ้าพบอย่างนั้นนะก็คืออย่าสงสัยเลยโยมปฏิบัติไปเถอะพอพบอย่างนี้ส่วนมากเจะคืออย่างนี้ปัญหาของโยมเนี่ยนะคือจิตยังหลงอยู่ในโลกของความคิดมากมันคิดคิดคิดไปเรื่อยๆให้โยมมารู้ทันใจที่แอบไปคิดนะโยมฝึกตัวนี้เพิ่มขึ้นนะ จิตที่แอบไปคิดเนี่ยชอบแอบไปคิดแวบแวบแวบไปเรื่อยๆจิตไหลไปคิดแล้วให้รีบรู้ทันไวๆนะฝึกตรงนี้ให้กันบ้านแล้วนะให้ทำนะ <c oughs> <c oughs> กลับมมาสักการกลับมมากลับมมาสักการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็มาส่งกันบ้านตื่นเต้นมากก <c oughs> ็ <c oughs> ตอนเช้าขับรถมาก็ดีใจค่ะวันนี้ได้มากราบหลวงพ่อแต่พอช่วงรอหลวงพ่อเนี่ยก็ไปไปทานข้าวพอกลับมานั่งก็โมหะเอาไปกินเออดีแล้วพอช่วงเห็นหลวงพ่อมาก็ดีใจอย่างเงี้ยค่ะดีตอนนี้ก็ตื่นเต้นเออดี <laughs> ก็ปกหลวงพ่อคะ่ะถ้าเกิดเราเป็นคนที่แบบมากโกรธนะคะแบบเจออะไรก็หงุดหงิดหงุดหงิดแล้วคือรู้ว่าค่ะว่าเราหงุดหงิด แล้วสักพักอารมณ์มันก็เปลี่ยนอืไปเฉยๆเฉยๆเสร็จแล้วก็มันก็กลับมาหงุดหงิดเหมือนอย่างเงี้ยก็ดีแล้วเนี่ก็ให้รู้ไปใช่ไหมก็รู้ไปนะคนขี้โมโหภาวนา ง, ง่าย <c oughs> เพราะอารมณ์โกรธนี่ยเป็นอารมณ์ที่รุนแรงดูง่ายที่สุดเลยนะอารมณ์หลงอารมณ์รักอะไรนี่ดูยากกว่านะงั้นถ้าเป็นคนขี้โมโหนะจิตมันโมโหขึ้นมาดูไปสังเกตไหมวามโมโหมีหลายดีกรีใช่ไหม <c oughs> มี <c oughs> ตั้งแต่ขัดใจเล็ก ฉุนฉุนเนี่ยหงุดหงิดไหมรำคาญห็นไหมเนี่ยมีหลายเกรดนะจนกระทั่งโมโหแรงๆถ้าถือศีลห้าไม่ครบครบทุกข้อเนี่ยจะทำให้การภาวนาไม่ก้าวหน้าหรือเปล่าคะใช่ก็จะอย่างแต่ว่าการถือศีลห้าต้องถือเป็นนะอย่างบางคนเนี่ยเขามีอาชีพทำบอกกุ้งนะถ้าเขาคิดตลอดเวลาเลยว่าเขาล่องเลี้ยงกุ้งศีลเขาไม่บริสุทธ เวลาจะภาวนาก็คิดถึงแต่ว่าศินไม่บริสุทธิ์อย่างนี้ไม่ฉลาดเขามาเรียนที่หลวงพ่อหลวงพ่อก็ถามว่าปีนึงจับกุ้งกี่ครั้งไม่กี่ครั้งนะเอาแล้วเวลาที่เหลือไม่ได้ฆ่ากุ้งไปคิดทําไมนะเวลาที่เหลือทําคุณงามความดีไปสนะิถ้าวันหนึ่งมีโอกาสเปลี่ยนอาชีพได้ก็เปลี่ยนไปนะแต่มันยังเปลี่ยนไม่ได้อยู่มันเป็นอาชีพในบ้านพ่อแม่ทํามาอะไรเงี้ยยังไม่รู้จะหนีไปไหน ก็ต้องรู้จักเลือกนะชีวิตของเราเนี่ยซอยมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆเวลานี้อากูศนเอาไปกินแล้วก็แล้วกันไปนะพยายามสํารวมระวังหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงซะทีหลังเวลาที่เหลือเนี่ยไม่ใช่เวลาของอากูศนแล้วดังนะนั้นก็รู้สึกตัวขึ้นมาดูกายดูใจไปศีลห้าของเราก็จะขาดเป็นช่วงๆไม่ใช่ขาดทั้งวันทั้งคืน ขาดตอนที่ทําผิดศีลนั่นแหละตอนที่ไม่ได้ทําผิดศีลเราก็มีศีลห้าตอนนั้นเราก็ภาวนาไปอาจจะบรรลุมากผลตอนนั้นเลยก็ได้นะขอการบ้านหลวงพอ่อได้ไหมคะอย่าบังคับตัวเองแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆนะอย่าขี้เกียจนะโงเ่เฮงขี้เกียจอยู่หรอ <laughs> นะดูเรื่อยๆนะไม่ใช่ดูแป๊บๆดูแป๊บๆแล้วโมโห อ, อีกแล้วเมื่อไหร่จะบรรลนะุอ่ะคนต่อไป กลาวนมัสการหลวงพ่อนะคะปฏิบัติของฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็อ่านหนังสือหลวงพ่อมาระยะหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็เริ่มปฏิบัติมาหลายเดินวันนี้ได้โอกาสมาส่งกันบ้านหลวงพ่อก็อยากจะทราบมหาว่าที่ผ่านมาปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องแล้วนะแต่ว่าต่อไปก็ต้องฝึกไปอีกอย่างขนาดเนี้จิตไปคิดแล้วทราบไหมค่ะอันเนี้ยฝึกอย่างเนี้ยถูกต้องแล้วคราวนี้ลูก เาเวลาทําจิตให้สงบก่อนที่จะปฏิบัติให้รู้สึกตัวนะคะจะท่องพุทโธแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกดข่อให้รู้<ล>ทันว่ากดข ม, มพุทโธเล่นๆไม่กดขมคราวนี้ลูกเลยไปหาหาวิธีสังเกตตัวเองแล้วก็ท่องอิติปิโสพุทธคุณท่องห้องแรกกันนะคะแล้วรู้สึกว่าจิตมันไม่แน่นไม่หนักไม่แน่นอไม่ทราบว่าอย่างเนี้ยจะถูกต้องท่องอะไรก็ได้นะ หลวงพ่อเคยเจอพระองค์หนึ่งท่านท่องสุดคูน <c oughs> หรืออย่างหลวงพ่อกเกษมท่านท่องกอเอ๋ยกอไก่ข้อไข่อยู่ในเล้าใข่จะทำไมล่ะ <c oughs> อะไรก็ได้บริกรรมไปนะอะไรก็ได้ที่ใจเราคุ้นเคยแล้วไม่เป็นอกุศลนะบริกรรมเป็นจิตเป็นกุศลนี่ใช้ได้แล้วก็คอยรู้ทันใจที่ไหลแวบบๆไป ใส่เขมมองนั่งตะกี้ตรงคุณมนมากไปหลวงพ่อเจ้าขาแล้วเวลาปฏิบัติเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยลูกมีความรู้สึกว่ารู้สึกไม่ชาร์ตเลยไม่ทราบว่าเอ้เราคิดหรือว่า ย, ยังอยากรู้สึกอยู่ให้เผลอไปแล้วรู้ว่าเผลอเนี่ยมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ว่าอะไหนรู้สึกซิรู้สึกซิกย่งไม่รู้สึกหรอกอย่าอยากรู้สึกนะ<ต>อย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดทราบไหม ทำไมหลวงพ่อมาชี้ให้ดูตรงที่จิตหนีไปคิดบ่อยๆถ้ารู้ว่าจิตหนีไปคิดก็จะรู้สึกตัวขึ้นมา <จะ S 1> แล้วจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดแต่<ะ>ลูกมีความลูกมีความรู้สึกตัวว่าเวลาเดินหรือเคยเค ย, เคยฟังอย่างที่อาจารย์สุรวัตรพูดหรือว่าหลวงพ่อพูดะนะฮะคือเดินจงกรมเนี่ยแค่เดินไปเข้าห้องน้ําเวลาทํา ง, งาน<ม>ที่ออฟฟิศเนี่ย<ม>แล้วก็รู้กายรู้ใจ<ม>คือรู้ใจบางทีรู้ไม่ค่อยอไค่อยใชย่ไไยไปแต่จะรู้กายก็ก็คือการเดินจงกรม จะรู้สึกว่ารู้ถนัดกว่าเวลาตัวเองรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องจิตนะคะเราถนัดทางกายเราก็ใช้กายเป็นวิหารธรรมนะเดินให้เยอะๆถ้าเดินเมื่อยแล้วเราก็นั่งขยับไปนั่งขยับหรือขยับแค่นี้ก็ได้บางคนขยับนิดเดียวหรือขยับอย่างหลวงพ่อเทีนก็ได้อะไรก็ได้ไม่รูปแบบไม่สําคัญนะมันคล้ายๆบรรจุภัณฑ์เท่านั้นของสินค้าสิ่งที่สําคัญคือสินค้าที่อยู่ในกล่อง สินค้านั้นก็คือเราตื่นจริงไหมเนี่ยแต่อย่างนี้ถือว่าลูกตื่นหรื อ, อยังเจ้าค่ะอย่าสนใจตรงนี้นีแต่ถือว่ารู้สึกตัวเป็นแล้ว อ, อรู้สึกได้บ้างนะนก็ตื่นได้ทีละแว็บแหล ะ, ะไม่ตื่นนานแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยยังจงใจที่จะรู้สึกตัวถ้าจงใจรู้สึกตัวยังไม่ใช่ความรู้สึกตัวที่แท้จริงเจค่ะกล่าวขอบพระคุณเจ้าค่ะเวลาถามหลวงพ่อว่าตื่นหรื อ, อยังนะหลวงพ่อจะต้องสํารวจก่อน ว่าจะตอบอยังไงดีที่จะไม่เสียใจดูของเรานะมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าเมอไรเรารู้ตรงความเป็นจริงขนาดนั้นจะตื่นนะถัดจากนั้นพอเราเผลอไปคิดไปหลงไปฝันอะไรเนี่ยความตื่นก็าหายไปนั้นคนที่ตื่นเนี่ยไม่ใช่ตื่นตลอดเวลานะไม่ต้องสนใจว่าจะต้องตื่นได้เท่านั้นเท่านีนะ้อย่าไปให้ความสำคัญกับมันมากนัก มันเป็นแค่ต้นทางเรตื่นขึ้นมานะตื่นบ่อยๆตื่นบ่อยๆได้เพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าหลับบ่อยๆถ้าหลับหนึ่งครั้งก็ตื่นหนึ่งครั้งใช่ไหมหลงไป10บครั้งก็คือรู้สึกขึ้นมา10บครั้งหลงบ่อยๆแล้วก็รู้สึกขึ้นมาพอรู้สึกก็เรียกว่ารู้สึกตัวบ่อยจิตไหลไปในความคิดหนะึ่งนาทีรู้สึกแล้วว่าหลงไปคิดต่อมา10วินาทีก็รู้แล้วว่าหลงไปคิดต่อมาสองวินาทีก็รู้แล้ว จิตเราก็ตื่นทีขึ้นทีขึ้นนะมันไม่ได้ตื่นตลอดวันมันจะตื่นแล้วก็แวบเดียวดับแวบเดียวดับนะอย่าไปกังวลเรื่องตื่นไม่ต้องตื่นเยอะแต่ตื่นบ่อยๆไม่ต้องตื่นนานครับผมฟังธรรมะหลวงพ่อมาประมาณเดือนเศษนะฮะทีนีอ้อยากขอคําแนะนําแล้วก็มีเวลาที่ระหว่างที่ปฏิบัติเนี่ยช่วงหลังจะมีความสึกมึนที่ศีรษัแล้วก็ตามรู้ว่ามึน อิดฟงซานหรืออะไรก็ตามก็หายไปตัวนี้จะเกิดจากวิบากกรรมหรือร อ, อะไรหรืวิ่ากครับส่วนมากนะถ้าเราอยู่เฉยๆเราไม่เป็นแต่พอเราปฏิบัติลราถึงจะเป็นเนี่ยเกิดจากการบังคับตัวเองพยายามจะรู้ให้ชัดพยายามจะให้จิตนิ่งจิตสงบนะบของโยมเนี่ยยังคุ้นเคยที่จะควบคุมจิตให้นิ่งครับกรรมฐานเก่าวๆที่ฝึกเนี่ยจะโน้มไปในทางทําให้นิ่งอยู่ครับต้องแก้ยังไงครับโยมพยายามเคลื่อนไหวไหม คือคนเนี่ยพอรวมทั้งหลวงพ่อด้วยนะพออายุห้าสิบขึ้นเนี่ยให้ไปนั่งสมาธินานๆเ น, น, นี่ยนะใช้ไม่ค่อยได้ถ้าไม่ไปเพ่งไว้นะก็จะหลับไปง่ายๆแล่วเรากระดุกกระดิกไว้คือก่ อ, อ, อ, อนหน้านี้เนี่ยปฏิบัติโดยไม่มีครูบาอาจารย์ภาวามีสมมมีปัญหาความคลิกคาต้องคิดต้องเครียดยอะไรก็ตามเนี่ยก็จะมานั่งแล้วก็ทำให้มันดิ่งนะครับก็ดีนะได้สมถะ เพ่อจะมาเข้าใจว่ า, าจะต้องตามรู้ตามดูครับใช่ครับครับขอบพระคุณครับอนจารยมหาบัวท่านบนนะว่าหลังๆมันมีแต่เรื่องสมาธิทำไมมันไม่มีเรื่องเจริญปัญญาครูบาอาจารย์ก็บนนะเพราะงั้นพวกเราโดยเฉพาะเราลูกศิษย์วัดป่าด้วยกันนะเราก็หัดเจริญปัญญาให้เยอะหัดรู้สึกตัวให้เป็นจิตก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาเป็นคนดู เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นจิตใจเคลื่อนไหวใจเราไปแค่คนดูไม่เข้าไปแทรกแซงในขณะเดียวกันเราไม่ไปประคองไว้ของโยมติดประคองนะประคองความรู้สึกตัวกลัวจะหลงเลยไปรักษาไว้รู้สึกไหมอย่างตอนนี้ไปรักษาเลิกซะเลยหลงแล้วรู้ดีกว่ากลัวหลงแล้วรักษาไว้ตลอดนะมันกั้นการเจริญปัญญาแต่การที่เราปล่อยให้หลงแล้วมีข้อเสี่ยงคือหลงแล้วเราไปอบายได้แต่ว่ามันก็เป็นช่องทางเดียวที่ทําให้เราเกิดสติปัญญาต้องเสี่ยงเอา ว่าไงต้อมไม่มีใครถามต้อมก็ถามตัวเองได้กราบนำ้ำมการหลวงพ่อค่ะคือฟังซีดีมาระยะหนึ่งแล้วอนะคะแต่ว่ายังไม่เข้าใจคําว่าจิตหลงไปคิดนะคะคือว่าเหมือนกับเรารู้เรื่องที่คิดไปสักพักหนึ่งเราถึงจะรู้ตัวถูกหรือเปล่าค่ะใช่เรารู้เรื่องที่คิดนะในขณะที่เรารู้เรื่องที่คิดเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็ไม่รู้คเคยไหมเห็นคนโทรศัพท์ไหมโทรไปโทร ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะบางคนโทรกเอาหัวอะไรเงี้ยเขาไม่รู้ตัวเลยเห็นไหมเนี่ยเขาลืมตัวเองเขาหมวแต่คิดคิดเรื่องที่คุยคิดเรื่องที่ฟังเขาลืมกายลืมใจตัวเองนะมันหลงไปคือเขาต้องรู้เรื่องนิดนึงก่อนเขาถึงจะมีสติว่าเขาเขาหลงไปใช่ไหมคะถ้าเวลาที่ทํางานที่ต้องคิดเนี่ยไม่สามารถเจริญสติได้แต่อย่างเราอยู่ในชีวิตธรรมดาอย่างเงี้ยนะเรานั่งนั่งอยู่มีใครไม่รู้เอาก้อนหินกว้างเข้ามาในห้องนี้ถูกหัวเราเราโมโหขึห้นมา ความโมโหผุดขึ้นมาเรารูว้ว่าโมโหอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าสมมติเราอยู่ๆเราก็ไปนั่งนะจ้างคนมากว้างหัวเราเรานั่งแล้วเราก็อยดูซิว่าเมื่อไหร่จะโมโหมันกว้างก้อนหนึ่งก็ไม่โมโหสองก้อนก็ไม่โมโหอันนี้ไปเพ่งไว้อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้อีกอย่างหนึ่งใจลอยนะพูดเลยเพลินเลยยุงกัดไปห้าสิบตัวยังไม่รู้สึกเลยนี่ก็เรียกว่าลืมตัวเหมือนกัน อีกเรื่องหนึ่งนะคะหนูรู้สึกว่าตัวเองมีสมาธิง่ายอะคะ่ะควรจะนั่งสมาธิไม่คะควรจะเดินให้เยอะๆของคุณโมหะเยอ ะ, <ค>ะจิตจะซึม ง, ง่าย <คะ S 1> เพราะงั้นถ้าจิตซึม ง, ง่ายต้องไปเคลื่อนไหวไว้ฮัลโหลอย่าเราโกรธนะคะอะไรนะอย่างเวลาเราโกรธนะคะเรารู้ตัวว่าโกรธเรื่องเรื่องนี้นะคะอพอเรารู้ตัวมันก็หยุดพออีกสักพักหนึ่งก็จะขึ้นมาอีกเรื่องเดิมอะคะอ่ะเนีเพราะว่ามันยังไม่ไม่จบจิตมันยังตรึกในเรื่องนั้นอยู่ เมื paid, ่อมันมีเหตุความเกิดก็ความโกรธก็เกิดขึ้นเวราไปคิดเรื่องเนี้ยมันไม่พอใจความโกรธก็เกิดถ้าไปคิดเรื่องอื่นมันก็ไม่โกรธเรื่องนี้เราต้องทํำยังไงคะทําไม่ได้เห็นไหมว่าความโกรธมีเหตุก็เกิดเราบังคับไม่ได้เราภาวนาไม่ใช่เพื่อบังคับจิตให้พ้นจากความโกรธนะแต่เราภาวนาจนเห็นความจริงเลยไม่มีอะไรที่เราบังคับได้ไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราอย่างแท้จริงดูลงไปเพื่อให้เห็นตรงนี้ไม่ใช่เพื่อให้มันไม่โกรธ มันรู้สึกว่าเหมือนเราโกรธแรงมากขึ้นทุกวันทุกวันนะเพราะเราไม่ได้เก็บกดถ้าเราไปเพ่งไว้นะเราก็ไม่โกรธแต่พวกที่ติดเพ่งเนี่ยพอเลิกเพ่งแล้วจะโกรธแรงกว่าคนทั่ววไปความโกรธมันคิดดอกเบี้ยอันนี้ไม่ได้ติดเพ่งหรอคะติด <c oughs> รู้สึกไหมใจเรามีความซึมคงที่อยู่อันหนึง่งต้องเลิกซะนะรู้สึกดูออกไหมใจเรามีความนิ่งนิ่งคงที่อยู่ได้่อย คือรู้สึกแต่ว่าตัวเองเป็นคนเงียบอะค่ะนั่นแหละเงียบเนี่ไม่ใช่ตัวจริงของเราตัวจริงของคุณนะเป็นคนที่ดุดุเดือดนะแล้วจิตกระโชกโผกผักนะตัวที่มันนิ่งเพราะเราไปกดมันไว้กดจนเคยชินนั้นเมื่อไหรเลิกกดเนี่ยมันจะขี้โมโหน ะ, นะเกลี้ยวกราอ ด, ดุร้ายเราจะพบว่านางปีศาจอยู่ที่นี่เองแหละเนี่ยพอเรารู้ทันนะมันจะค่อยๆสลายไปนะใจเราจะค่อยดีขึ้นดีขึ้น แต่ถ้าเรากดไว้เนี่ยกิเลสไม่โผล่ขึ้นมานะกิเลสก็ซ่อนตัวอยู่อย่างนั้นแหละไม่หายไปอย่าไปกดนะปล่อยให้ได้นะดูออกไหมว่ามันนิ่งมันนิ่งกว่ามนุษย์ทั่วไปรู้สึกไหม ก, กลับไปเป็นมนุษย์ทั่วไปซ <c oughs> ะขอบคุณค่ะนมัมการค่ะหลวงพ่อคือเพิ่งฟังซีดีจากเพื่อนอะคะ่ะได้สอาทิตย์แล้วก็จะฟังในรถ แล้วก็ตกใจมากที่ตัวเองเผลอเยอะขนาดนั้นในเวลาออขับรถอะค่ะดีๆแล้วก็พอดีสองาทิตย์ที่ผ่านมานี่มีเหตุการณ์ในชีวิตที่ทําให้เรากังวลโกรธแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็โมโหออแล้วก็เราก็ตามดูได้ดนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันสั้นล ง, ออนงแล้วกออ็คิดว่าตัวเองน่าจะทําถูกต้องอะค่ะทูลพ่อคะถูกสิถูกใช่ไหมคะเออดูไปเรื่อยๆน ะ, ะแล้วก็ค่ะมีอีกอย่างนึงค่ะคือ ที่เผลอบ่อยๆนะคะไม่แน่ใจว่าเผลอแล้วรู้สึกตัวเผลอแล้วรู้สึกตัวนี่เป็นวิหารธรรมหรือไม่คะได้เรียกว่าเอาจิตเป็นวิหารธรรมนะจิตเผลอแล้วรู้สึกจิตเผลอแล้วรู้สึกก็เรียกว่าจิตตานุปัสสนาเอาจิตนั่นแหละเป็นวิหารธรรมใช้ได้นะที่ฝึกเยอะใจมันตื่นขึ้นมาละสังเกตไหมหลวงพ่อบอกเองนะงั้นอย่าถามนะว่าตื่นไม่ตื่น ไหนไหนคนไหนเอาว่าไปการสนทนาของพ่อครับเดือนหน้าผมจะบวชแล้วนะครับถามว่าตอนนี้จิตผมพร้อมยังืงกำหนดจะบวชแล้วก็ถามว่าพร้อมไหมหมายถึงว่าตื่นภาวนาเป็นไงบ้างคือถ้าบวชก็ต้องพยายามดูตัวเองให้เยอะอย่าดูคนอื่นนะอย่าไปจับผิดพระอื่นนะดูตัวเองเยอะๆไว้ ในงั้นอยู่ลำบากตอนนี้ยังสึกว่าติดเพ่งนิดหนึ่งใช่ครับติดเพ่งให้รู้ไปนะรู้ไปด้ยบวชนานไหมก็ประมาณเดือนหนึ่งครับอ๋อไม่เป็นไรบวชไปเถอะบวชแล้วก็ดูใจของเราเยอะๆนะอย่าดูคนอื่นเดี๋ยวจะเลิกนับถือศาสนามีคนบวชเยอะเลยแล้วไม่เข้าวัดสึกแล้วไม่เข้าวัดอีกพอมาครับใช้ได้แล้ว แต่ว่าอย่าไปเพ่งมากนะมันติดเพง่งคุ้นเคยที่จะ บ, บังคับเอาว่าไปมารากหลงพ่อค่ะก็ตื่นเต้นค่ะอยากก็คือบางครั้งอะคะ่ะก็รู้ว่าตั้งใจดูรู้ว่าเพ่งค่ะแล้วก็หนักแต่ว่าบางครั้งมันก็มีสบายสบายอะค่ะก็บางทีมันก็รู้ลึกเข้าไปข้างในบางทีมันก็รู้ออกมาข้างนอกอะคะ่ะ ก็เลยบางทีหลายครั้งก็จะสงสัยค่ะว่าอะไรถูกอะไรผิดกันแน่แต่ที่รู้แน่ที่ผิดก็คือเมื่อไหร่ที่รู้ว่าหนักอะคะ่ะอืก็เลยอยากทราบว่าเป็นยังไงบ้างคะดีสิรู้ไปอย่างนั้นแหละรู้บ่อยๆ อ, อย่าขี้เกียจ น, นะอ๋อดูบ่อยๆนะต้องอดทนนะดูไปเรื่อยๆเนี่ ย, ยดูนิดๆหน่อยๆแล้วหวังว่าบรรลุพอดูไปสามวันแล้วยังไม่บรรลุก็เบื่ออะไรย่างงี้ไม่ได้นะ ดูไปเรื่อยดูทั้งชีวิตเลยเพราะว่าการที่เรามีสติรู้ทุกครั้งนะจิตแจมจะมีความสุขขึ้นมาไม่เห็นจะขัดทุนตรงไหนเลยยิ่งรู้บ่อยก็ยิ่งดีคือบางครั้งมันมันเหมือนจะแบบดูไปแล้วแล้วแบบว่ามันก็ดูไม่แน่ใจว่าเพ่งปัจาแตมันก็คือปื๊บเข้าไปแล้วมันก็มีความสุขแต่ว่าบางครั้งมันก็หลุดออกมาค่ะมันไหลเข้าไปรวมก็รู้มันถอยออกมาก็รู้อย่าไปยุ่งกับมันอ ให้รู้นะทุกสภาวะนั้นเกิดขึ้นแล้วล้วนแต่ดับทั้งสิ้นดูอย่างนี้ของคุณสองคนที่นั่งหลังผู้หญิงที่ถือไม้สองคนใช้ได้ทั้งคู่เลยนะคุณนอนดีเนาะอ่ะไปต่อไปนา บ, บัณิการหลวงพ่อครับแล้วถ้าเกิดจิตแล้วคิดเรื่องธรรมะนี่เราจะพอรู้ตัวแล้วเราจะออกจากความคิดหรือว่าเราจะคิดพิจารณาต่อ คือเราคิดพิจารณาธรรมะเพื่ออะไรอันนี้เราต้องทราบก่อนนะถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านมากเลยเราก็คิดพิจารณาธรรมะให้ใจเราสงบแล้วเราก็คิดไปเรื่อยจนใจเราสงบแต่ถ้าเราจะต้องการฝึกวิปัสสนาเนี่ยจิตเราไปคิดถึงธรรมะเราก็รู้ทันว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่แต่มันฟุ้งซ่านในธรรมะทันทีที่เรารู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตก็จะเลิกคิดนะแล้วมันจะกลับไปคิดอีกก็ไม่ว่ามันมาเองนะ ถ้าอยู่่จิตมันคิดขึ้นมาเองแล้วก็เรารู้ว่าคิดเราจะออกจากความคิดหรือว่าจะคิดต่อไม่ทันทีที่เรารู้ว่าคิดเนี่ยนะความคิดจะดับเองนะไม่ต้องออกจากความคิดหรอกความคิดจะสะดุดลงไปเลยจะขาดไปแวบหนึ่งนะถัดจากนั้นถ้าเราอยากคิดต่อเรารู้ทันว่าอยากรู้ทันใจของเราอีกเริ่มต้นนับปัจจุบันใหม่เลยนะรู้ปัจจุบันไปเรื่อยๆอย่างบางทีครูบาอาจารย์ให้คิดพิจาจรณาธรรมะอย่างบางคนภาวนาแล้วซึม ซึมนะจิตใจเสื่องซึมเนี่ยครูบาอาจารย์บอกให้คิดพิจารณาธรรมะเป็นการกระตุ้นให้จิตทํางานบางคนมีราคะรุนแรงพระหนุ่มเน้นน้อยราคะแรงท่านให้คิดพิจารณากายเป็นปฏิปูลเป็นอสุภะเนี่ยคิดไปแล้วจิตใจได้รับความสุขความสงบใ น, นการคิดพิจารณาธรรมะนะสิ่งที่ได้มาคือได้จิตใจที่มีความสุขมีความสงบเป็นสมถกรรมฐานนี่ถ้าเราจิตมันคิดแล้วมันมีความสุข ข, ขึ้นมาเรารู้ว่ามีความสุข เราเห็นว่าความสุขเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปนี่เราเดินเจริญปัญญาแล้วทำวิปัสสนาหรือจิตมันคิดพอเรามีสติปั๊บความคิดดับลงไปเราเห็นเลยความคิดเกิดได้แล้วก็ดับไปนี่นี่เราเจรินปัญญาอยู่แล้วมันจะวกกลับไปคิดใหม่ก็เรื่องของมันแต่อย่าไปช่วยมันคิดถ้าเมื่อไหร่เราสามารถรู้กายรู้ใจได้นะไม่ต้องไปทำสมถะตอนนั้นเวลานั้นเป็นเวลาทำวิปัสสนาแต่ถ้าเมื่อไร่รู้กายรู้ใจไม่ได้ ก็ไปทําสมถะไปคิดพิจารณาธรรมะเอาเป็นเครื่องอยู่ที่ดีดีกว่าไปคิดเรื่องโลกโลกแล้วจิตใจว้าวุ่นขึ้นมาั้นใช้หลักนี้นะว่าถ้าหากเราดูจิตได้เรารู้ทันจิตดูจิตไปเลยถ้าดูจิตไม่ได้ก็รู้ร่างกายไว้อย่างบางคนทํางานหนักเหนื่อยเดินไปห้องน้ำนะดูจิตไม่ได้หัวหมุนไปหมดแล้วก็ดูร่างกายมันเดินดูจิตไม่ได้ให้ดูกาย ถ้าดูทั้งกายดูทั้งจิตไม่ได้นะ ก, ก็ไปคิดพิจารณาธรรมะหรือไปทําความสงบอย่างอื่นขึ้นมาเป็นเวลาของการทําสมถะนะถ้าจิตสงบแล้วก็อย่าวนแต่คิดนะเสียเวลาแล้วปัญญานี้สามารถจะเกิดจากการเราคิดพิจารณาธรรมะได้เปล่าครับได้แต่เป็นปัญญาที่เกิดจากการคิดเรียกว่าจินตามายาปัญญาไม่ฆ่ากิเลสต้องเป็นภาวนามยาปัญญาถึงฆ่ากิเลสนะจะบกับประกุณ นามส ก, การหลวงพ่อนะครับก็คืออยากจะสอบถามว่าอย่างคำว่าสมองคิดจิตคิดแล้วจิตเนี่ยต่างกับความคิดยังไงนะครับเอาสมองคิดกับจิตคิดเนี่ยนะคือโดยภูมิของเราเราเกิดมาเป็นสัตว์ที่มีสมองเราใช้หน่วยความจําของสมองมาเก็บข้อมูลอะไรไว้เยอะแยะเลยใช้หน่วยความจํานี้มาช่วยวิเคราะห์แต่ว่ามันมีสัตว์บางพวกนั้นไม่มีสมองไม่มีมันสมอง พวกนี้ก็ยังคิดได้เพราะงั้นการที่เราจะมาดูว่าสมองคิดหรือจิตคิดเนี่ยนะเป็นการค้นคว้าที่ยุ่งยากไปนิดนึงไม่จําเป็นนะตัวนี้ตัดทิ้งไปก่อนเรารู้ทันก่อนว่ามันมีความคิดเกิดขึ้นก็แล้วกันพอความคิดเกิดขึ้นจิตก็เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างให้คอยรู้ทันตัวนี้นะจะมีประโยชน์มากกว่าที่จะไปรู้ว่าไอ้ตัวที่คิดอยู่เนี่ยสมองคิดหรือจิตคิดแต่ว่ามันจะมีการคิดอยู่สองอัน อันนึงจิตใจ builder. มันคิด inet, ของมันเองเช่นเราไม่ได้เจตนาจะคิดนะอยู่ๆมันก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาอีกอันหนึ่งเราจงใจที่จะคิดดังนั้นการคิดเนี่ยบางทีมันคิดเองบางทีเราก็เกิดความจงใจที่จะคิดตรงที่จิตหนีไปคิดเองเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ตรงที่เราจงใจเนี่ยเป็นปัญหาในการปฏิบัติยกตัวอย่างว่าอยู่ๆเราใจลอยไปเนี่ยจิตมันคิดของมันเองมันใจลอยยังไม่ใช่ปัญหาให้เรามีสติรู้ว่าจิตใจลอยไปแล้วจิตหนีไปคิดแล้วแค่นี้ก็ใช้ได้ละ แต่ถ้าเราไปคิดต่อนะเอ๊ะทํำยังไงนะมันจะไม่คิดอันนี้เราคิดละถ้าถึงขั้นเราคิดเนี่ยนะเป็นปัญหาขวางกั้นการเจริญวิปัสสนาล่ะจิตคิดไม่เป็นไรนะอย่าให้เราคิดอย่าสนใจว่าตัวไหนคิดสมองคิดหรือจิตคิดไม่ต้องสนใจหรอกเอาแค่ว่าการคิดนั้นมันคิดของมันเองหรือว่าเราเจตนาคิดถ้าจิตเขาคิดเองเขาปรุงของเขาเองไม่เป็นไรถ้าเราเจตนาจะคิดเนี่ยนะใจมันจะแน่นๆ่นจะหนักหนักแน่นแ่นแข็งแข็งขึ้นมา แล้ว<ล>อะไรอีกข้อหนึ่งนะและอีกอย่างหนึ่งนะครับคือสมมุติว่าถ้าเกิดเราไม่ให้จิตคิดได้ไมไม่ไดค้คือดึงจิตไว้ที่สติปัฏฐานอย่างเช่นดึงจิตไว้ที่อริยบทของเราที่นั่งเดินยืนอ น, น, น, นอนหนนกือเพ่งเป็นสติปัฏฐานก็คือหมายความว่าอาจจะใช้หลักธรรมะมาช่วยอย่างเช่นเราทําอะไรผิดปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ว่ามันเกิดดับเปลี่ยนแปลงก็คือเราใช้ลักษณะของสติปัฏฐานของฐานธรรมเนี่ยมาปรับประยุกต์ แต่บางทีจิตเนี่ยเราอยู่แบบนิ่งๆแต่เรากําหนดอยู่กับปัจจุบันให้สิ่งที่เราทําอย่างเช่นเรานั่งอยู่ยืนอยู่เราทําอะไรอยู่เหมือนที่อาจารย์รู้สึที่ที่ที่บอกว่ารู้สึกตัวครับขอบคุณครับคืออย่าจงใจก็แล้วกันนะลดความจงใจลงแล้วก็ให้สติมันเกิดขึ้นเองนะเดี๋ยวฟังซีดีหลวงพ่อนะจะมีเยอะในเรื่องที่ให้สติเกิดขึ้นเองเนะี้ย พอสติเกิดขึ้นเองแล้วราจิตจะเดินไปในฐานต่างๆมันจะไม่เลือกอยู่ฐานใดฐานหนึ่งหรอกจิตจะเปลี่ยนฐานไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวรู้เวทนาเดี๋ยวรู้จิตแต่ถ้าเราจงใจที่จะอยู่กับฐานใดฐานหนึ่งด้วยความจงใจเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมถกรรมฐานจิตจะนิ่งจิตจะสงบถ้าเมื่อไหร่เราน้อมจิตให้เปลี่ยนแปลงไปจากที่เขาเป็นตามธรรมดาของเขาเนี่ยเป็นการแทรกแซงแต่ว่าเบื้องต้นบางคนก็ต้องทําอย่างนั้นก่อนนะไม่ผิดหรอก แต่แรกแซงแล้วก็ให้รู้ทันนะว่าแทรกแซงอยู่นมัส ก, การหลวงพ่อค่ะคือหนูรู้สึกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี้รู้น้อยลงมากกว่าสัปดาห์ก่อนๆนะคะเป็นเพราะว่าทาในรูปแบบน้อยคือว่างานทางโลกเยอะบางทีก็อดนอนเนี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามีจิตมันจิตเศร้าหมองอก็ดีแล้วที่รู้ว่าจิตเศร้าหมอง แล้วก็โทสะเกิดงาออ่ายดูดีแล้วที่รู้ว่าโทสะเกิดอยากให้หลวงพ่อช่วยชีย้อยากก็ให้รู้ว่าอยากเนี่ยไม่มีอะไรนะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆรู้สึกไหมจิตขนาดนี้กะตะกี้ไม่เหมือนกันเมืเ่อกี้มันตื่นขึ้นมาแว บ, บหนึ่งนะตอนนี้กลับไป ท, ทื่อๆอีกละดู อ, อกไหมอย่าไปกดให้มันทื่อๆ น, นะหนูต้องฝึกยังไงคะฝึกความเข้มแข็งไว้นะอย่าขี้อ้อนมากวันนี้ พา ค, คุณแม่มาครั้งที่สองอะคะ่ะให้หลวงพ่อเมตตาช่วยสอนคุณแม่ด้วยะคะ่ะไหนเขายอมเปล่ายอมยอมเหรอคุณแม่ยกมืออยู่ข้างหลัะหานั่นแม่เหรอยังเด็กอยู่เลยยอมฝึกให้รู้สึกตัวไว้ก็พอแล้วนะอย่างรู้สึกไหมลูกเราแต่ละวันน่ารักไม่เท่ากันเยฝึกอย่างนี้นะฝึกรู้ความรู้สึกไม่ต้องส่งไม่ไปหรอกนะไม่ต้องนะดูความรู้สึกของเรา อย่างเราลูกเราแต่ละวันยังน่ารักไม่เท่ากันหรือเวลาเรากินข้าวใช่ไหมอาหารแต่ละชนิดเราชอบไม่เท่ากันเนี่ยให้รู้ทันที่ใจของเราเนี่ยบ่อยๆรู้บ่อยๆนะไม่ต้องรู้ตลอดเวลาเอาพอสมควรต่อไปใครหลวงพ่อมีอะไรจะแนะนำไหมครับไหนไหนอ๋ออยู่นู่นเลยปล่อยมันซะยังบังคับอยู่ขอบคุณครับกลานมัสการหลวงพ่อคะ่ะ คืออยากจะขอโอกาสถามนะคะคือว่าตอนนี้นี่คือรู้สึกว่ากิเลสมันละเอียดขึ้นนะคะ อ, อยากจะข อ, อ, อนามส ก, การขอโอกาสนะคะว่าทํายังไงมันถึงจะตั้งมานะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่จะตามรู้ในกิจวัตรประจําวันนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเหมือนกับว่ากิเลสมันหละเอียดขึ้นจนส่วน คือผิดมาทุกอย่างที่หลวงพ่อสอนในซีดีนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคือคือเจ้าสติมันไวขึ้นละเอียดขึ้นนะมันก็จะเห็นกิเลส ท, ที่ละเอียดขึ้นแต่เราไปสั่งสติให้ละเอียดขึ้นไม่ได้นะต้องฝึกสติไปเรื่อยๆแล้วมันจะละเอียดขึ้นเองยกตัวอย่างทีแรกต้องโมโหแรงๆก่อนถึงจะรู้นะต่อมาแค่ขัดใจเล็กๆก็รู้เนี่ยจะรู้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะขออนุญาตค่ะคือ ทุกอย่างมันผ่านมาหมดแล้วอะค่ะเพียงแต่ว่าทีนี้เนี่ยคือเออยากได้คําว่าจิตตั้งมาหนูไม่แน่ใจว่าแต่หนูแต่หนูรู้ว่าหนูไม่แน่ใจนะคะไม่ตั้งนะไม่ตั้งทำยังไงมันถึงจะตั้งอะให้รู้ทันไปว่าจิตฟุ้งซ่านตามว่าฟุ้งซ่านแล้วมันกลายเป็นว่าฟุ้งซ่านไปหมดเลยแล้วก็เลยกลับอยู่ที่เท้าอีครั้นึ่งค่่ได้ทผิดอย่างจิตฟุ้งซ่านแล้วเราไปรู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วอยากให้หายฟุ้งซ่านอยากให้สงบเนี่ยไม่สงบหรอก ต้องรู้ความฟุ้งซ่านด้วยจิตที่เป็นกลางจริงๆมันจะสงบถ้าจิตไม่เป็นกลางมันไม่สงบหรอกมันเข้าไปคลุกวงในละเป็นตลุมบอลกับความฟุ้งซ่านกลับไปบริกรรมได้ไหมคะได้ออกมาใหม่อีกครั้งออไปบริกรรมก่อนก็ได้ที่สำคัญต้องทำให้สบายนะต้องสบายใจกลับนมัสการหลวงพ่อคะ่ะตงเดาว่ามาครั้งแรกแล้วก็ แต่ที่ผ่านมาเคยฟังซีดีของหลวงพ่อนะคะรู้สึกว่าลองปฏิบัติลองหลายๆวิธีแล้วทั้งยืดหยุน่นทั้งปล่อยบางทีรู้สึกเหมือนมีทิฐินิดๆแล้วก็พยายามรู้ตัวเองรู้โกรธรู้รู้สึกตลอดแต่บางทีเหมือนเหมือนยังมีจิตยังเคลื่อนไหวอยู่ตลอดอะไรอย่างนี้ครับแต่บางทีก็รู้เหมือนเลือนราง มันเหมือนเดินคดไปคดมาอยากหาวิธีที่แนะว่าเกรงว่ามันจะไม่ก้าวหน้าเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดให้มันคดไปคดมานะให้มันฟุ้งซ่านบ้างสงบบ้างให้มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่าไปทำให้มันนิ่งค่ะวิธีก็คือปล่อยหรือว่ารู้ทันให้รู้ทันนะว่าใจมันฟุ้งซ่านะให้รู้ทันลงไปเลยรู้ลงปัจจุบันไปค่ะ บางครั้งเหมือนนอนไม่หลับคือเหมือนคอยอคอนโทรลหรือคอยอไม่ได้เกรงนะคะนั่นแหละให้รู้ทันไปนะใจมันฟุ้งซ่านนะมันทําให้เรานอนไม่หลับค่ะให้รู้ไปรู้เล่นๆอย่าไปเกลียดมันนะ <c oughs> อย่าไปอยากให้มันหายฟุ้งซ่านอย่าอยากให้สงบถ้าอยากให้สงบไม่สงบหรอกไปดูจิตที่ฟุ้งซ่านไว้อ๋อมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะหายเองอะ่ะไม่เป็นตลอดหรอกถ้ารู้ทันด้วยจิตที่เป็นกลางแล้วมันจะหาย แล้วความง่วงล่ะคะคืะคองงบางทีงงรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนระบอกเออเรารู้นะว่า เ, าเราเราเราเหมือนง่ว ง, งเหงามันเป็นเหมือนซึมเหมือนที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าบางทีเป็นระยะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่าง ก, กระดุกกระดิกไว้นะจิตเรามีโมหะเยอะมันก็ง่วงง่ายกระดุกกระดิกไว้เสน้ไ <ว S 1> นไหวขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่มาฟังธรรมกับหลวงพ่อนะคะ ก็เลยจะขอคำแนะนำหลวงพ่อค่ะปกติโดยที่ผ่านมาเนี่ยชอบอ่านหนังสือธรรมะมากมแต่ในความเป็นจริงไม่มีเวลาอ่านมากมแต่โดยพื้นฐานก็พอมีความรู้ธรรมะบ้างะนะฮะแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ถือศีลชอบสวดมนต์มากมจะขอคำชี้แนะของหลวงพ่อค่ะก็ดีแล้วที่ทำอยู่ก็ทำต่อไปนะแล้วก็เพิ่มการสังเกตใจของเราลงไป<ม>ใจเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เคยเหมือนกันเลย บางวันสุขบางวันทุกข์บางวันโปร่งโปร่งบางวันแน่นๆ่เห็นไหมให้ดูความเปลี่ยนแปลงของเขาบ่อยๆนะไอ้ที่ทำอยู่เดิมก็ทำไปไม่ผิดอะไรดีแล้วนะเพิ่มขึ้นนิดเดียวเพิ่มมารู้รู้จิตใจของเราในปัจจุบันดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่บังคับให้นิ่งเนี่ยเริ่มไปบังคับละตรงนี้ไปจ้องมันอย่างนี้ไม่ดีนะใจอยทื่อๆไปอย่าไปให้มันทื่อๆ และที่ผ่านมานี่หลวงพ่อว่าใช้ได้เป็นการเริ่มปฏิบัติมาบ้างแล้วหรือยังค ะ, ะปฏิบัติแล้วอย่างนี้เรียกว่าเริ่มปฏิบัติมาแล้วใช่ไหมคะนั่นแหล ะ, ะหลัรูปต่อไปอใช้ได้ค่ะคําถามที่สองจะรบกวนถามหลวงพ่อว่าลูกชายอะค่ะใจเขาก็อยากบวชหนูก็อยากให้บวชนะคะทีนี้มีเวลาแค่สองสามอาทิตย์เขาเองก็เรียนหนักทีนี้บวชแล้วเนี่ยก็อยากจะได้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตินะคะอยากเยอะไป <laughs> สองอาทิตย์จะเอาอะไรให้เขาฟังซีดีหลวงพ่อเยอะๆนะจนเขาปฏิบัติเป็นซะ ก, ก่อนแล้วค่อยเอาไปบวช อ, อย่างภาวนาไม่เป็นไปบวชนะทรมานรบเาค่าขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวก็เวลาเราศึกษาธรรมะนะเราวางความคิดลงไปทิ้งความคิดความเห็นทั้งหลายความเชื่อทั้งหลายนะปล่อยมันไป ถ้าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเชื่อมันดีจริงเราคงบรรลุมรรคผลนิพพานไปแล้วหรือพ้นทุกไปแล้วนะบางทีเราก็คิดว่าบรรลุแล้วแต่มันไม่บรรลุหรอกรกิเลสมันยังครอบงําจิตได้อยู่เะฉะนั้นเราปล่อยทิ้งความคิดความเห็นความเชื่อซะแล้วมาดูของจริงคือมาดูกายดูใจที่เป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวสติก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้เวทนาเดี๋ยวก็รู้จิตนะ ทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตก็ไม่ใช่อะไรอื่นก็เป็นสภาวะธรรมล้วนๆไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูอย่างเนี้มากเข้ามากเข้านะใจมันถึงจะยอมรับความจริงแต่ถ้าเราดิ้นรนค้นคว้าเราใช้เหตุใช้ผลใช้ตรร ก, กะในการค้นคว้าพิจารณาเนี่ยสิ่งที่เราได้มาคือได้ความเชื่อมาเราจะเชื่อเอาเองเชื่อในสิ่งที่เราคิดอย่าไปเชื่อสิ่งที่คิดขึ้นมา ให้ดูของจริงของจริงคือกายกระใจนะเขาจะสอนความจริงเราเองไม่ต้องคิดมากนะอย่าคิดมากความคิดนะ่ะโยนลงตะกร้าไปเลยนะการใช้เหตุใช้ผลการวิเคราะห์วิเคราะห์อะไรมันดีสำหรับการเรียนรู้ทางโลกแต่มันกีดขวางการเจริญสติการเจริญวิปัสสนาในทางธรรมระดับใดที่ใจยังคิดอยู่นี่รตรับนั้นวิปัสสนายังไม่เกิดขึ้น ต้องพ้นจากขั้นของการคิดไปก่อนเช่นเราไปคิดว่าทั้งกายทั้งใจไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นแค่สภาวะธรรมเห็นว่ามันเป็นไตรลักษ์ด้วยการคิดเปรียบเทียบเอาด้วยการคำนวณเอาอันนี้ไม่ใช่วิปัสสนานะสูงที่สุดที่ไปได้เขาเรียกว่าสัมมาสนญาณสูงที่สุดสัมมาสนญาณเป็นปัญญาที่เห็นว่ากายเป็นกายกับใจเป็นไตรลักษ์ ด้วยการคิดเอาเพราะว่ารู้ว่ากายกับใจปัจจุบันไม่เหมือนกายกับใจเมื่อก่อนเนี่ยตามคิดเอานะสูงสุดมันไปได้แค่นี้เองนะไม่สามารถเจริญวิปัสสนาคือไม่สามารถขึ้นสู่อุทธยับ พ, พยัญายาได้อุทธยับ พ, พยัญายานเนี่ยในการที่จิตมันหลุดจากความคิดละมันมาเห็นความจริงของกายของใจว่าเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนะี่ยถึงจะเป็นวิปัสสนาตัวแท้นะ แต่ละขําพบพข้ามชาติจะละกิเลสได้ก็เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่เพราะการคิดคํานวณเอานักคิดนักปรานั้นมีเต็มโลกนะมีมาแต่สมัยไหนสมัยไหนไม่เห็นจะพ้นทุกทักคนเลยมีผู้ฝากคำถามที่อยากจะดูเป็น FAQ ครับหลวงพ่อแต่เขาย้าว่ายังไงต้องช่วยถามหลวงพ่อด้วยคำถามคืออยากให้หลวงพ่ออธิบายว่าจะจัดการอย่างไรถ้าเรามีอัตราสู ง, สง เซลล์ self, เยอะๆเพราะบางครั้งเราไม่ชอบกับสิ่งเหล่านี้ให้รู้ทันนะมันน่าเกลียดเวลาที่เซลล์เกิดเนี่ยนะมันน่าเกลียดมากเลยนะมันหลงตัวเองมันนึกว่ากูแน่กูหนึ่งอย่าเงี้ยให้รู้ทันลงไปแล้วจะเห็นว่ามันน่าขยักขยแงงมากเลยมีลูกปิดหลวงพ่อคนหนึ่งนะเมื่อก่อนนั้นยังไม่บวชนะเวลาเดินจงกรมนะชอบเดินกอดอกเย่งคอหน่อยหนึ่งนะยังเซลล์จัดที่สุดเลยนะ ตัวเซลล์เนี่ยนะมันสร้างสั ญ, ญลักษณ์ที่มันสร้างภาพเหมือนคนอีกคนหนึ่งนะที่เซลล์จัดมากเลยนี่ต่อมาพอเขาเห็นว่าอุ้ยมันน่าเกลียดมากไอ้ตัวนี้น่าเกลียดจิตใจชนิดนี้น่าขยะกขยงใจรู้สึกน่าเกลียดนะเวลาที่อัตราตัวตนหรือความยึดถือในความคิดความเห็นเกิดขึ้นเนี่ยเขามีสติรู้ทันนะไอ้เซลล์เนี่ยค่อยตัวเล็กลงเรื่อยๆตัวเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะถึงวันหนึ่งมันก็เดินออกไปจากตัวเราต่างคนต่างไป งั้นต้องให้เห็นทุกข์เห็นโทษของมันจริงๆนะถึงจะละได้เพราะว่าตัวเซลเนี่ยตัวน่าเกลียดตัวปิดกัน้นการเจริญปัญญาบางทีมันก็คิดว่ากูรู้แล้วนะหรือบางคนคิดถึงขนาดว่าเราไม่ต้องฟังธรรมก็ได้เราจะค้นหาด้วยตัวเราเองทงั้งๆที่ไม่ได้เป็นพุทธภูมินะเนะี่ยเซลจัดว่ากูก็แน่ว่าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถายังทําได้กูก็ทําได้เหมือนกันนะถ้ารู้ลงไปนะจะเห็นว่ามันน่าเกลียด ให้รู้ทันนั่นแหละมันก็คือกิเลสตัวหนึ่งเรียกว่าอัศมิมานะหมดแล้วครับเออหมดแล้วก็ดีถ้าหมดกิเลสก็ดีสินะก็จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับร่วมกันถวายทานครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยษ์ธยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทปราโมทโช ขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลละนานเทอญยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสะขรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานงอุปกะปติอิชิตังปฏิตังทุมหังขิปะเมวะสมิชตูสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโดปันราโซยะถามณีโชติราโสยถา สัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีากาโยโภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังอุทธาปจจายิโนจัตตาโรโอธรมาวัทันติอายุวันโนสุขังพลังเดือนหน้าหลวงพ่อไม่ได้มานะไม่เจอกันสองเดือนขยันภาวนานะเอาตัวรอดสองเดือนนะทำจริงๆบางคนอาจจะรู้ทำก็ได้